คำว่าเป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์เนี่ยนะคุ้มครองอินทรีย์นั้นความว่าพระประเจกสมพุทธเจ้านั้นเห็นรูปด้วยจักูุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลามกเขือพิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนีถึงความสารวมในจากขุนีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโพธาภะด้วยกายรู้แจ้งทำมรมด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมหูจมูกเลนกายและใจถ้าหากว่าไม่สํารวมนนจะเป็นเหตุให้อกุสรลธรรมอลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้มันก็รักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจ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 นี้ชื่อว่ามีอินซีอันคุ้มครองรักษาแล้วคำว่ามีกิเลสมิได้ชุ่มทเทระว่าไม่ใช่ชุ่มแบบด้วยอนานาจกิเลสเนี่ยนะอย่างที่ท่านพระมหาโมกขลราณะเถระกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราจะแสดงอว ส, สุตตะเปรียยสูตรและอนวัว ส, สุตตะริยยสูตรแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว รพระภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระมหาโมกขลานะว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอย่างนี้แล้วพระมหาโมกขลานะก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อันกิเลส ช, ชุ่มแล้วเป็นอย่างไรเรียกว่าอาวัสุตะปรยายเนี่ยนะอวัสุตตะก็คือผู้มีกิเลสอันชุ่มเนี่ยเป็นอย่างไร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 โกรธเกลียดอยู่นั่นแหละสมถาวิปั ส, สนาไม่มีอยู่ในใจเลยไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่ต้องการจะรู้สมถาวิปั ส, สนาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ที่ดับบาปอากุศลธรรมไม่ต้องการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นรูปก็เห็นแบบอะไรนะมีตาก็เห็นแต่ภาพภาพสวยก็ชอบภาพไม่สวยก็ชังไม่เคยคิดว่าเออเห็นยังไงให้มันรูปมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เคยมีความคิดแบบนั้นอะไร มันไม่ว่าทวารอื่นจะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกเล้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพะด้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารูปหูเสียงกลิ่นรสโพธพะที่น่าปรารถนาก็ยินดี น, นะยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่น่ารักยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่ไม่น่ารัก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 กิเลสชุ่มหมดในรูปที่เห็นด้วยตากิเลสก็ชุ่มหมดในเสียงที่รู้ได้ด้วยหูไม่มีรูปไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดเหมนกันไม่มีเสียงไหนเลยที่กิเลสไม่เกิดไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโพธาภะไม่มีอารมณ์อะไรอะไรเลยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนะกิเลสเกิดทุกทวารและก็ทุกอารมณ์ไปหมดนี่แหละท่านเรียกว่าอาวสุตะผู้มีกิเลสอันชุ่มแล้วหมนน ตรงกันอีกอย่างหนึ่งท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ น, นะอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะทุกทวารเนี่ยนะถ้าแม้มารเข้ามาหาพิกษุนั้นทางตามารก็ได้ช่องมารก็ได้ปัจจัยคิดว่ามารนี่จะสิงทวารไหนก็สิงไม่หมดเลยนะถ้ามารเข้ามาหาภิกสุนั้นทางทวารหู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 ในแค่ว่าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเมื่อบ้านเรือนที่ไม่มีประตูหน้าต่างอะไรเลยเนยนะเปิดล่งลองอยากจะเข้าทางไหนล่ะวางันเข้าได้ตามสบายเพราะฉะนั้นกิเลสเข้ามาได้ทุกช่องนะแม้กระทั่งเท พ, พบุตรมารมัจจุมากิเลสมานเป็นต้นก็เข้ามาได้ทุกช่องท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้มีปกติอย่างนี้รูปครอบงามได้ภิกษุครอบงามรูปไม่ได้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 โพธาภาสุดแท้แต่ธรรมอารมณ์เพราะอารมณ์ครอบงำหมดเลยเสียงก็ตรูปก็ครอบงำใจเสียงก็ครอบงมครอบงำใจกลิ่นก็ครอบงำใจรสก็ครอบงำใจโพธาภาก็ครอบงำใจเรื่องราวทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจแต่ว่าตัวเองครอบงำอะไรไม่ได้เลย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 ดูกนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพิสูจนนี้เราท่านกล่าวว่าถูกรูปครอบงามถูกเสียงครอบงามถูกกลิ่นครอบงามถูกรสครอบงามถูกผลทพะครอบงามถูกกิเลสความเศร้าหมองครอบงามพิกษุเหล่านั้นไม่ครอบงอามอกุโสลธรรมอันลามกอันเศร้าหมองที่ทําให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไป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 เห็นรูปด้วยจักสุไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักตั้งมั่นในกายคตาสติเนี่ยนะกายคตาสติสิกายคตาสติเป็นชื่อของกายานุปัสนาสติประธานทั้ง14บสี่บัพาพาหมดเลยเนี่ยนะมีใจประกอบด้วยทำหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็ประกอบด้วยสมถาวิปัสนาเนี่ยนะ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 ในรูปที่รู้ได้ด้วยตาในเสียงที่รู้แจ้งด้วยหูในกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยจมกูกในรสที่รู้แจ้งด้วยลิ้นในโพธาภะที่รู้แจ้งด้วยกายในธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจนะไม่มีกิเลสชุ่มแม้แต่ทวานเดียวเพราะดํารงมั่นอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาสมถะวิปัสนาท่านเรียกว่าตบะตะบะเนี่ยเป็นเครื่องเผาใช่ไหมเครื่องเผาทําให้อกุิสธรรมทั้งหลายเนี่ย ร, ร้อนทําให้อกุิสรธรรมทั้งหลาย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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้รูปครอบงำไม่ได้พิกสุครอบงำรูปได้รูปไม่มีอำนาจเห น, เนือจิตใจท่านเลยแต่ท่านมีจิตใจเหนือรูปนะเสียง <c ười> ไม่มีอำนาจเห น, เนือจิตใจของท่านแต่ท่านมีจิตมีใจเหนืออานาจของเสียงเลยนะเรียกว่าไม่ได้ถูกอารมณ์ครอบงำเลยท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ทันพราดอหารทั้งหลายปราถนาจะรู้สิ่งที่จะเรียกว่าเห็นสิ่งนั้น ของเขาว่าของดีเนี่ยท่านว่าปฏิกูลก็ได้คนอื่นเ้ามองว่าเลวร้ายท่านบอกว่าดีก็ได้ถ้านบอกว่าทั้งดีทั้งเลวร้ายท่านว่าไม่ดีก็ได้ท่านคิดว่าดีก็ได้คือท่านจะมาณสิการโดยประการใดๆก็ได้จะมาณสิการโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมาณสิกา ร, ร, รโดยโอสุภะจะมาณสิกา ร, รโดยธาจะมาณสิการโดยเมตตาเป็นต้นจะโดยแง่มุมใดๆท่านก็ทําได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นผู้ที่ครอบงํารูปเสียงกลิ่นรสโธพธะและธรรมรม ผนอารมณ์เหล่านั้นคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธพภะครอบงำจิตใจท่านไม่ได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ท่านกล่าวว่าครอบงำรูปครอบงำเสียงครอบงำกลิ่นครอบงำรสครอบงำโพธพภะครอบงำธรรมอารมณ์กิเลสเหล่านั้นอันภิกษุครอบงำไม่ได้กิเลสเหล่านั้นนะนะครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำอกุสุลธรรมอันละมกอันทาให้เศร้ามองให้เกิดในพบใหม่ ให้มีความกรวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปก็คือตัดเชื้อที่จะนําปฏิสนธิได้ทุกอารมณ์ว่างั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอันเปียกชุ่มร่วรสอย่างนี้แลชื่อว่าผู้มีกิเลสไม่ชุ่มแลท่นานผู้นั้นโดยเฉพาะพระปเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมีความเศร้ามองบากอากุศลชุ่มในทวารทั้ง6 คำว่าไฟคือกิเลสไม่เผาอธิบายว่าเป็นผู้อันไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไม่แผดเผาฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อันกิเลสไม่ชุ่มแล้วไฟคือกิเลสไม่เผาเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรเฉะนั้นโอ้ดูการฟ้อนรำยุนได้ดีเลยเนนะดูเขารำอย่างเดียวยก็ได้ดีแล้วเนี่ยนะก็ให้สั่งสมสมถะิปัสสนาไว้เถอเนี่ยนะทัสั่งสมบุญไว้ดีเจริญ สมถาวิปัสนาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเห็นใครรำก็ได้ดีเห็นเมียคนอื่นยังได้ดีเลยแต่ถ้าล่วงตามเมก็ประตูนรกของใครก็ของใครก็กัน